สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินทรทัตั์ออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุคลื่นธรรมะเอฟเอมเกกจเมรวิทยุชุมชนวัดวังตะกูจังหวัดนคปรปฐมนอกจากคลื่นนี้แล้วท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการแสงเทียนเสียงธรรมนี้ได้อีก64รายการ ตามสถานีวิทยุชุมชนเคลื่อนต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศนะคะวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังได้เรื่อง38มงคลชีวิตเขียนโดยพระธรรมโกสาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิขุกคะ่ะผู้จัดทำรายการขอกราบขอพระคุณคุณสุธิรักษุขธรรมจากห้างธรรมสภาที่ได้กรุณาจัดหนังสือธรรมะ ให้กับรายการได้มีโอกาสนำเผยแผ่สู่ท่านผู้ฟังทั้งหลายตลอดมาโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสามสิบแปดมงคลชีวิตค่ะ